วิธีลดระดับความโกรธ 1. ไม่ปล่อยกายถึงปึงปังแค่ตั้งใจหยุดก็จะทำได้ภายในเสี้ยววินาทีเดียว 2. ไม่เปิดปากเลาะรายเลือกคำาด้เจตนาประณีประนอม 3. ไม่ปล่อยใจถลำคิดไปเรื่อยฝึกสติเห็นความโกรธเป็นของไม่เทียง อยากเป็นคนดีอยากมีใจใสๆไม่อยากมีความโกรธเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจไปจนตายต้องทำอย่างไรสำหรับผู้ที่ยังเป็นปูถทุชนคนดีใช่ว่าไม่มีโกรธแต่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธโกรธแล้วไม่หลงตามโกรธนั่นแหละดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีลดระดับความโกรธให้เบาบางตามลำดับเปลี่ยงจากง่ายไปหายากดังนี้หนึ่งไม่ลงมือทำอะไรตามแรงขับดันของโทสะเช่นไม่หลงส้นปึงปังคว้างปลาข้าวของถลึงตาขู่ปล่อยหมัดกระแทกคู่กรณีแม้อยากทำใจจะขาดเป็นต้นหากตั้งใจกันจริงๆคุณจะพบว่าความเคลื่อนไหวทางกายนั้นเชื่องช้า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 เลิกทำเลิกปล่อยกายไิดตามใจเพียงเท่านี้สักอาทิตย์เดียวก็จะพบว่าแม้ใจร้อนก็ไม่ร้อนเท่าเก่าลดระดับลงจากน้ำเดือดเป็นน้ำอุ่นได้แล้ว 2. ไม่เปิดปากพ่นพิษจากเชื้อโทสะทั้งคำด่าทอคำหยาบคายหรือแม้คำเหน็บแนมกระทบกระเทียบจงงดให้หมดสิน้น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 แม้ใจยังกวัดแกงก็ไม่เท่าเก่าลดระดับลงจากพายุกันโชคเป็นลมแรงธรรมดาได้แล้ว 3. ไม่ปล่อยให้ใจหลงถลำคิดไปเรื่อยด้วยแรงขับดันของโทสะนั่นคือโกรธแล้วมีสติรู้ตัวว่าโกรธเห็นความโกรธว่าเป็นธรรมชาติกดดันจิต และสภาวะที่กดดันจิตนั้นไม่คงที่เดี๋ยวมีแรงอัดมากเดี๋ยวมีแรงอัดน้อยสั่งไม่ได้ว่าจงลดระดับความกดดันลงเดี๋ยวนี้หรือแม้อยากหน่วงเหนี่ยวความกดดันไว้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันเมื่อฝึกสติเห็นความโกรธเป็นของไม่เที่ยงต้องมีขึ้นมีลงได้สักร้อยครั้งพันหนในระยะยาวคุณจะพลิกสถานการณ์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 ใช้ประโยชน์จากความโกรธให้เต็มที่ตามในยะวิธีที่แสดงไว้ข้างต้นนั่นแหละถ้าโกรธแล้วมีสติเท่าทันได้ตามลำดับก็เข้าขั้นสร้างเชื้อสายอริยเจ้าไว้ในตนทีเดียว